ศินข้อสุรารวมบุหรี่ด้วยหรือไม่ถามสินข้อสุราเมรัยนั้นหมายรวมถึงบุหรี่ด้วยหรือไม่หากไม่รวมเหตุใดจึงไม่รวมในเมื่อการสูบบุหรีน่าจะเป็นผิดเป็นภัยและก่อความรําคาญให้กับผู้อื่นมากกว่าผู้ที่ดื่มสุราอย่างมีสติตอบ บุหรีไม่ได้ทำให้ขาดสติเพราะฉะนั้นไม่ใช่ยามืนเมาเหมือนสูราแต่บุหรีมีพิษหากสูบทั้งรู้ว่าคนอื่นรังเกียจและจะได้รับพิษวิบากย่อมทำให้เป็นผู้ได้รับความรำคาญเป็นผู้มีสุขภาพเสื่อมโทรมส่วนจะหนักเบาก็ขึ้นอยู่กับขณะสูบครับต้องดูว่าใจเขามีความเย็นชาไม่นำพาความเดือดร้อนผู้อื่นหรือเปล่าด้วย